วันนี้เป็นวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2559ทางอุตุเขาบอกว่าจะร้อนวันที่17ถึงวันที่19ร้อนที่สุดใน50ปีแต่เมื่อวานตอนเช้าก็หนาวนะแต่ตอนกลางวันบ่าย หนึ่งบ่ายสองบ่ายสามกลางวันโหร้อ น, ร, อนร้อนผิดปกติอยู่แต่เมื่อเช้าน่กลับหนาวอีกจนะเนีเช้าวันที่สิบแปดได้ห่มผ้าอีกอดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนปกเปลี่ยนปรับเปทํทำให้ร่างกายของมนุษย์ พวกเราท่านทั้งหลายเนี่เป็นมนุษย์เปลี่ยนตามดินฟ้าอากาศรู้สึกจะเป็นไข่เก็บไข่ได้ป่วยได้ง่ายเนะ <c oughs> นี่นั้นไงระวัดระมัดระวังนาไข่เป็นไข่เป็นวัดตัวเองนะดูแลสุขภาพตัวเองอุตุอุตุ ช่วงนี้อุตุไม่สบายะนะอากาศไม่เป็นที่สบายแต่ว่าตอนกลางคืนตั้งแต่หกทุ่มแล้วไปก็เย็นสบายนะการภาวนาของพวกเราท่านทั้งหลายพวกพระลูกหลานทั้งหลายนะที่เขามาบวช มาอยู่ที่วัดของเราเข า, มาไม่ใช่ว่าบวชทั่วๆไปนะมาอยู่ในวัดของหลวงพ่อวัดของหลวงพ่อเน้นเรื่องจิตภาวนาเป็นจุดใหญ่แต่เรื่องการงานก็ให้ช่วยกันดูเหมือนกันเพราะว่ากุฏิ แ, แต่ละหลังถนนแต่ละเส้นที่เราเดินจังกลมหรือว่าที่เราเดินไปหากุฏิของเรา กันล้วนแล้วแต่ได้ใช้คนเป็นคนทาไม่ได้ใช้คาถาเป่าฟูดฟาดเศษขึ้นมาไม่ใช่แต่ก็เป็นกำลังคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนที่พุทธท่านมาประพฤติปฏิบัติท่านได้ทำเอาไว้ได้สร้างขึ้นมาเอาไว้สำหรับให้พวกเราได้ พักพาอาศัยได้เป็นที่เดินจงกรมนั่งภาวนาอันนี้คือวัดของเราแต่ว่าจุดใหญ่ของเราก็คืออยากจะให้พระเนนเข้ามาอยู่ภาวนาก็ไม่ได้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่วไปทางอื่นหรือว่าเน้นไปทางอื่นอยากจะให้เน้น เรื่องจิตตภาวนาเป็นหลักแต่ทางอื่นก็ยังที่ว่าเราจะปล่อยปะนั่นเลยเฉยเมยก็ไม่ได้เราต้องทำกิ จ, จวัตรข้อวัดตอนบ่ายสามให้ลงปัดกวาดให้ลงตรงต่อเวลาแล้วก็กิ จ, จวัตรข้อวัดใครมีหน้าที่อะไร แเมื่อมาทําความสะอาดปัดกวาดแต่ละหัวหน้าดูกุฏิที่พักพ้าอาศัยของพระของประาชาของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมตลอดถึงห้องน้ําภายในวัดของเราแต่หลวงพ่อไม่ได้ให้ไปทําความสะอาดห้องน้ําชาวบ้านนะไม่ใช่นะภายในวัดของเราภายในวัดของเราเราต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดถึงใครจะมาใช้ก็ตาม จะเป็นใครใครก็ตามมาใช้เราบางทีเราอาัดเข้าไปใช้บางทีหลวงพ่อเข้าไปใช้บางที่ศรัทธาญาติโยมเข้าไปใช้ใครมีความจําเป็นก็ต้องเข้าไปใช้ในห้องน้ําแต่พระเนนของเราอยู่ในวัดต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องทําความสะอาดอันนี้ก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเราแต่ถึงยังไงก็อย่างที่ผู้ชมบอกบอกว่า เรื่องจิตตภาวนาเป็นหัวใจของพวกเราที่เข้ามาสู่วัดสู่สำนักแห่งนี้หลวงพ่อเองไม่ได้สอนให้พวกเราสสสแสวงหาเรื่องโลกโหโมกนะุณะเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่งมีสีสุขไม่ใช่ถาว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีความมุ่งหวังมีความมุ่มั่นไปทางโลกนะ ไม่ควรจะอยู่ในพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนามัวหมองอีกต่างหากว่าไหรเพราะคนโบราณเขาบอกว่าอาบน้ำที่หนึ่งไปสีขาที่หนึ่งเขาว่างั้น อ, อาบน้ำที่หนึ่งไปสีขาที่หนึ่งไปทำความสะอาดที่หนึ่ง เ, เพราะนั้นพวกเราอยู่ในวัดเราจุดประสงค์ของพระคืออะไรนะ ถ้าเราจะเน้นไปทางโลกเราหาทุนเพื่อไปทางโลกอันนั้นผิดที่ผิดทางจะแล้วเราจะมากกเกอบโกยเงินคำทรัพย์สมบัติในทางพระพุทธศาสนาออกไปปนปื้อทางโลกมันไม่ได้จะถูกต้องอันนี้หลวงพ่อเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ถึงพวกท่านจะออกไปเป็นเจ้าอาวาสก็าตามไปเป็นสมภารที่ไหนก็าตาม หรือจะอยู่เป็นพระตลอดไปพวกท่านทั้งหลายต้องคิดไว้ในใจว่าข้าพระเจ้าข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาข้าพระเจ้าไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังเพื่อหามรรคผลนิพพานตามแนวแถวของพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาใจาใจของเราให้เป็นพระที่สมบูรณ์อย่าไปมุ่งหวังทางโลก ทางโลกมันก็มีอยู่แล้วถ้าเราต้องการทางโลกแล้วก็เปลี่ยนยูนิฟอร์มซะไปอยู่ทางโลกแต่นี้เราชอบอย่างนี้ชอบยูนิฟอร์มของพระพุทธทเจ้าเป็นผู้ตัดกิเลสทางโลกอย่างน้อยคนตัดความโลภความโกรธความหลงตัดราคาโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจให้เป็นพระที่สมบูรณ์พวกเราคนนีเข้ามาบวช พอมาบวชนะการเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแต่เมื่อเข้ามาแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องการงานภายนอกปรับปรุงแก้ไขทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเสนาชนะวัดของเราเป็นหน้าที่ของพระในวัดของเราจะต้องช่วยกันดูต่องค์ไหนไม่ช่วยกันดูเด่นเด่นด้านด้านไม่จักไม่รู้จักหน้าที่ เวลาปัดกวาดโน้นน่ะทะเลถลายไปทางอื่นไม่ช่วยทำความปัดกวาดแต่เวลามาฉันเวลาเข้ามาหาหมูแล้วก็ใช้ถนนไม่ได้เดินเข้าป่าแต่ขี้เกียจปัดกวาดนะปิกที่เกียจปัดกวาดถนนถนนโหนทางขี้เกียจปัดกวาดแต่เดินก็เดินตามถนนที่หมูปัดกวาดให้อันนั้นแปลว่าเอาเปียบหมู เอาเปรียบหมู่อย่างอย่างมากตาเออผมขี้เกียจปฏิดกดวัดครับหมู่พกเพลินเนี่ยเวลาผมไปผมจะเดินเข้าป่าหรอกเออหมู่ก็ควรคงจะให้อภัยนะเออประวัติองค์นี้เขาขี้เกียจปฏิกวัดเขาเพีแต่ภาวนาอย่างเดียวเออแต่ว่าเขาขี้เกียจปฏิกวัดทําความสะอาดเออเวลาเขามาเขาก็เดินเข้าป่าเนี่ยเดินเขาป่าเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิกวดัดนะเ อ, อ่อ อย่างนั้นหมูพวกเพื่อนก็คงจะให้เอาไปแต่นี้เดินตามถนนหนทางมาแล้วก็ชอบที่สะอาดอีกต่างหากแต่ตัวเองขี้เกียจอันนี้พวกพระทั้งหลายต้องช่วยกันคิดนะว่ากล่าวตักเตือนกันอันนี้หลวงพ่อว่ากล่าวตักเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้จักหน้าที่เวลาได้เวลาก่อนลงปัดกวาดทำความสะอาดร่วมกันแล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องกิตภาวนาอันนั้นจะได้ลดละตัว น, นั้น เพราะนั้นหัวใจของพวกเราคือจุดมุ่งมั่นจุดมุ่งหมายของพวกเราคือจิตตภาวน า, อาพอออกแยกจากหมู่ปุ๊บให้ใจวิ่งปุ๊บเข้ามาหาสมาธิทันทีมาหากำหนดลมหายใจเข้าออกทันทีหรือมาหาสติที่ก้าวเดินขาขวาพูดขาซ้ายโททันทีเรื่เ อ, เ, อเราจัดกับทำกับกิริยาขึ้นไปกุติของเราเราก็มองดูใจของเราอยู่ตลอดเวลา ว่าใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรออกไปทางโลกหรืออยู่จิตใจของเราไฝ่ในธรรมอยู่ในสติสัมปชัญญะมุ่งหวังมุ่งหวังมุ่งมั่นในธรรม เ, เพราะเราเข้ามาบวชอยู่ณสถานที่อย่างนี้สงบสกัดอย่างนี้เราจะไปปล่อยจิตปล่อยใจออกไปทางโลกนู่นไปหาเที่ยวไปหากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านไหนไปหาเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนเออ แต่โทรศัพท์ไม่ควรจะมีเห็นต่างหากสําสหรับพระน้อยปหนุเกินความจําเป็นไม่ควรจะมีเอในวัดของเราแต่หลวงพ่อเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเห็นแล้วเอแต่เธอเอาเถอะหลวงพ่อก็เตือนเตือ น, นเอาไว้แต่หลวงพ่อมีไหมหลวงพ่อเขาเอาให้มาแต่ได้ให้หลวงพ่อซื้อไหมแต่หลวงพ่อใจละปิดนะเอมีความจําเป็นบางครั้งเอพอยุคนี้สมัยนี้ มันมีแต่ว่าเราก็ต้องมองบรรทัดฐานลมกระจกเงาขององค์หลวงตาหลวงตาบอกว่าโทรศัพท์เป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงถ้ามีใครมีโทรศัพท์นะอันตรายมากเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงอันนี้ให้เราฟังเอาไว้อันนี้คือกระจกเงาที่องค์หลวงตาได้เตือนเอาไว้ถ้าพวกเราฟังเทพของหลวงตาบางกันพวกเราจะได้ยิน ทำพูดอย่างนี้ในองค์หลวงตาแนะนําสั่งสอนเพราะฉนั้นท่านเตือนแล้วอย่างนั้นแ่ะเราก็ต้องระวังในการใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เป็น อ, อไม่ใช่ว่าใช้พร่มเพื่อเ อ, อมาควักมาเถอะคุยคุยต่อนหน้าสาธารณะชนแบบไม่คิดไม่อ่านอ อ, อย่างนั้นดูๆแล้วมันเกินไปเป็นพระธันสมัยเกินไปควรจะอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย เรามีกิจธุระจอขนาดนั้นเจ้าเหร อ, อหวังล่ำหวังรวยขนาดนั้นเจ้าเหรอหวังลาบหวังยศหวังจะให้คนมาขนาดนั้นเจ้าเหรอมันถูกต้องแล้วเหรอสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายช่วยๆกันมองดูตนเองนะถ้ามันเกินไปมันไม่งามนะมันไม่งามมันไม่ถูกต้องมันไม่สวยงามไม่ใส่สมณะสารูป อันนี้เรื่องนะั้นมันเป็นปัจจัยที่ห้านะมีเกินปัจจัย4ี่ไปเสียแล้วก่อนที่จะใช้ปัจจัยห้านะ ข, ข้อที่5นะ้านต้องเราต้องคิดทุกครั้งปัจจัยสี่คืออะไรอาหารปิรุษบาดก็พอประมาณมันเกินอะไรอาหารปิรุบาดมีอะไรบ้างถ้ามันเกินไปเราก็รู้อาหารปิรุษบาดผ้านุ่งหม่มเราก็ให้ดูอีกตัวไหนมันเกินไป ที่พักพาอาศัยที่ไหนมันเกินไปยาแก้โรคภัยใกล้เจ็บอันไหนมันเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมนะเราอยู่นัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะเย็นกายเย็นใจอสําหรับพวกนักพจนักปวดนะเพราะฉนั้นขอให้พวกผ้าลูกผ้าหลานทุกองนะ ให้อยู่ในกรอบรับพระธรรมวินยัยแต่กิ จ, จวัตรคอวัดให้เข้มแข็งได้เวลาให้ลงปฏิบัติการทำความสะอาดแล้วก็กิ จ, จวัตรอะไรที่จะช่วยเหลือกันอย่างเสนาสนะที่พักพาอาศัยครูบาอาจารย์รุ่นพี่ที่ช่วยกันนะวันนี้นะทำงานจุดนั้นจุดนี้โยธานะเขาว่าโยธาไปว่ารวมกันต้องการร่วมกันรวมกันพลังของวัด ต้องไปช่วยกันในจุดนั้นพอเสร็จแล้วเออเอาจบนะเอาองค์ที่จําเป็นมาทําองค์ที่เป็นช่างองค์ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเออองค์นั้นองค์นั้นมาช่วยด้วยนะเมื่อเขาเมื่อเขาต้องการเราก็เขา้าไปช่วยไปช่วยเขาไปทําเต็มที่เออเขาว่างอ่งองอ่งแงกไม่มีเต็มที่เมื่อทําพอทําจบแล้วก็อจบถอยเออทางหัวหน้าก็เหมือนกันหัวหน้าเขาจะต้องมองดูเหมือนกัน องค์ไหนที่จะช่วยเหลือจุดไหนได้อันนี้เรคือการพัฒนาของวัดก็ต้องมีไม่ใช่วลวงพ่อให้ภาวนาและปล่อยปะาน่นเลยเออเป็นจะให้เดินมัวสมคุยกันได้ไม่เป็นไรแต่จะให้ทำการทำงานไม่เอาอันนั้นแปลว่าพระขี้เกียจพระไม่รู้จักหน้าที่มาอยู่ด่วยเขาคนหนักวัดหนักหมู่หนักเพื่อนหนักศา ส, สนา พระไม่มีความคิดความอ่านพระไม่มีความไม่มีสติปัญญาไปอยู่ที่ไหนหนักทั้งหมดไปอยู่กับพ่อแม่ก็หนักพ่อแม่ไปอยู่กับวงศากณาญ า, าติก็หนักไปอยู่ในวงราชการก็หนักไปอยู่นวัดวาศาสนาก็หนักเ อ, อมาอยู่กับหลวงพ่อจะไม่ให้หนักได้ยังไงพระประเภทอย่างนั้นพอในลูกหลานทุกองนะที่พูดทางนี้ท้งนั้นก็คือให้รู้จักหน้าที่ แวางตัวให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าออกนอกรูกนอกทางอย่าให้ท่านหนักใจกับเราเราเข้ามาเมื่อไม่ให้ท่านหนักใจนะเข้ามาที่นี่เข้าใจไหมพวกเราก็ปวาวนายอย่างนั้นไม่ใช่เหรออาจารย์ลิโเมพันเตหงหิขอท่านอาจารย์จงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเราก็รับไว้รับว่าเป็นลูกศิษย์นะในเมื่อลูกศิษย์ลงพ่อก็สอนวิธีการนะ ทำตนอย่างนี้อย่างนี้นะคิดอย่างนี้อย่างนี้นะวิธีการคิดก็ให้มีสติสัมปชัญญะในหลวงพ่ อ, อบอกนะวิธีการกระทาให้มีกิ จ, จวัตรข้อวัดน ะ, ะแล้วก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะการอยู่ด้วยกันมองกันมองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายการอยู่ด้วยกันถ้ามองกันด้วยแง่เหตุแง่ผลเรอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ว่ามองกันในแง่ร้ายนะ มีหาเรื่องหาราวใส่กันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ผลในสุขก็เลยทะเลาะกันได้ง่ายๆประนให้พวกเรามาเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่อเว้แสวงบุญกุศลเป็นอย่างน้อยจากนั้นมากกว่านั้นก็เราพยายามเกิดมาพบนิชาินี้มันทุกเราเห็นไม่คนเกิดเราเห็นไมส่สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิด เราเห็นไหมสรพสัต ท, ทั้งหลายแข่งแย่งกันฆ่ากันกินทำร้ายทำรายกันมนุษย์ฆ่ากันเห็นไหม เ, เราจะจะมาเวียนไหวตายเกิดอย่างนั้นใช่ไหม เ, เราศึกษาตามพุทธะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรทั้งหมดมีมีท่อง ม, ม, มีช่องทางที่ทําจะไม่ที่จะไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดในวนะัฏฏะสงสารนมีช่องทางให้เดินตามทางนี้นะตามมักแปดเนี่ยผลทางแปดเส้นเลยนะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรไวยากรรมันตัวไอจีวอโวยโมจติสมาธิเนี่ยท่านเดินตามสายนี้แต่จิตใจเป็นสมาธิจิตใจเกิดปัญญาถอดถอนกิเลสในใจภายในใจเจตราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจจิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้ถอดถอนกิเลสภายในใจนะั่นนะบางทีอาจะเปน็นนะ่ะ ไปเกิดเป็นสิงโตแถวออฟเิกาควายป่าอยู่แถวนั้นไม่รู้อะไรต่ออะไรโอ้โหเห็นแล้วมันเบียดเบียนกันลังแกกันฆ่ากันกินดิบกินแดงจริงๆเออตัวที่ชนะก็เออนั่นแนะเป็นผู้ชนะตัวที่แพ้นั่นแหละตาละห้อยเห็นเห็นแล้วมันน่าสรุดสังเวชสับประสัตว์ทั้งหลายในโลกเนะี่ย มนุษย์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันที่ลังแกเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายเอพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน่ะโลกใบนี้ไม่น้ามาเกิดพูดง่ายๆจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ไม่เมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารพยายามทํายังไงจึงจะให้ถึงแดนพระนิพพานให้เร็วที่สดุดก็ไม่มีทางอื่นนอกจากนี้ละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาการอยู่ในวัดกันนั้นให้มีสติสัมปชัญญะ ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะอีกชักวันหนึ่งเราก็คงเหมือนกับฝึกฝนเหมือนกับตีกอ๊อะฝึกหัดซ้อมกอ๊อนปะตีไปตีมาตีไปถึปเข้าสนามพอเข้าสนามตีในสนามเขี่ยไปเขี่ยมาอมันลงหลุมเองป๊อกจบนะอันนี้ก็เหมือนกัน เ, เราพยายามพิจารณาทนิจังทุกขังอนาตาพิจารณาอสุภะปฏิกูล ท, ทําจิตใจเป็นสมาธิบางเดินวิปัสสนาบาง เออลองผิดลองถูกพระพุทธเจ้าท่านลองผิดลองถูกจริงท่านจริงงมหามหาสมุทรนะงมเข็มในมหาสมุทรพระพุทธเจ้านะแต่ น, นี้พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะเข็มมันลงตรงนี้แหละนะ อ, อมันลงตรงนี้แหละนะเออเราก็มีจุดมุ่งหมายว่าลงตรงนี้เราก็พยายามงมหาจุดที่ทเข็มลงนะเออมันก็จะไม่ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเหรอพระพุทธเจ้าท่าน เ อ, องมงมเข็มในมหาสมุทรท่านยังงมเจอนะแต่พวกเราเน่ยงมเข็มที่มันหล่นลงไปจุดท่ารู้อย่างแล้วมันหล่นจุดนี้ทำไมจึงรู้น่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วเออวิธีการปฏิบัติทำยังไงในพระไตรปิฎกในมรรคแปดในศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์สอนให้แล้วนั่นแหละคือท่านชี้จุดสถานที่แล้วอพวกเราก็น่าจะเดินอเดิน งมเข็มในจุดนั้นจุดที่พระพุทธเจ้าเอชี้จุดสถานที่ไว้แล้วนั้น่เออถ้าางพวกเราพระพุทธเจ้าชี้จุดตรงนี้ ห, น ห, น ห, นกกนห่อโน่นนูอนจักรวาลไหนเราไปงมมันจะไปหาเจอเข็มได้ยังไงะผมพปงมเข็มไม่ไม่ถูกจุดสถา น, ถานที่สถานที่เข็มมันลงจุดมันลงของที่มันลงในจุดนั้นเราต้องงบจุดนั้นนะเพราะนั้นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสิ่งเหล่านี้คือคือให้ใช้ปัญญานะ ใช่จิตใช้ปัญญาใช้ฉัทฐาใช้ความเพียรใช้ความพยายามาไม่เหลือวิสัยตามหลักธรรมคมสอนของพุทธะนะรับพรในตอนนี้อนุประสงค์อนุโมทนาให้พล